بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه و م ص ط ف ا ه الكريم وعلى آله الطيبين الطائرين وأصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بحسن إلى الدين سلم تسليما كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ن ي س و ر التوبة อัยะก่อนด้านนี้ก็คืออัยะที่สามสิบห้าที่ได้พูดถึงบทลงโทษของผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบสังคมสงเคราะห์และทำหน้าที่ดูแลสังคมในทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะในด้านความมั่นคงของทรัพย์สิน ซึ่งหนึ่งในนั้ น, นก็คือระบบเสียการระบบเสการนี่มันจะตอบโจทย์ทุกอย่างในในจุดอ่อนของสังคมเรื่องความอยากจนความเหลือล่อมล้ำความไม่เท่าเทียมเสการนี่จะมีคําตอบัถ้าไม่กระทําหน้าที่ตรงนี้ก็จะมีบทลงโทษบทลงโทษในวันเกียรมาซึ่ง เทียบแล้วก็ไม่ไม่แพ้กับบทลงโทษของภารกิจหน้าที่อื่นๆท่้ทะ้งททิ้งเช่นการไม่ละหมาดไม่ละหมาดหรือไม่ไม่ถือิีอดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ล้วน เ, เป็นหลักการสาคัญของศาสนาอิสลามพอได้ยืนยันในปังสสาคัญ ของระบบของส ก, กาดแล้วเนี่ยเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกฎหมายที่มีบังคับชใช้ในในหลักการศาสนาอิสลามกฎหมายที่บังคับใช้นี่ก็ต้องมีบทลงโทษแต่บทลงโทษของอิ ส, ออสลามนี่ก็มีโทษทั้งในโลกดุรยางนี้แล้ว ก, ก, ก, ก, ก็โลกภายนอกสกาดนี้ มีโทษในอคต์ร็อกแล้วเนี่ยนี่ที่เราเดีอธิบายคน น, นั้นนี่แล้วก็มีโทษไหมในในโลกในดวยเนี้ยมีโทษไหมไม่มีบทเลยนะแต่ที่มีตัวบทเนี่ยในการลงโทษคนที่ตั้งใจไม่ออกจากการก็คือ ถ้ามีอำนาจรัฐอิสลามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะต้องบังคับใช้กฎหมายแล่คำว่าบังคับใช้กฎหมายนี่ก็หมายถึงว่าถ้าใครจิตนาขัดขืนไม่ออกสรกาศเนี่ยรัฐนี่จะต้องบังคับให้ออกและถ้าไม่ยอมออกนี่ก็ต้องก็ต้องต่อสู้ ลงโทษถึงขนาดที่ต้องประกาศสงครามอย่างที่เกิดสมัยท่านอูรรกสุดเดยแต่ถ้าอำนาจรัฐอิสลามนี่ไม่สมบูรณ์ตลอดรอดศาสาอิสลามนี่มันจะไม่เป็นความผิดโดยตรงของรายบุคคลหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไม่มีรัฐอิสลามและฉันก็จะไม่รู้จะไปให้สกาศกับ รัดยังไงเพราไม่มีรัดไยหน้าที่มันก็จะเป็นหน้าที่ของรายบุคคลทุกคนเนี่ยก็ต้องออกประกาศเป็นหน้าที่ของตัวเองแหละและถ้าไม่มีรัดเนี่ยก็มันไม่ชี บ, บของของเราและที่ไม่มีรัดอิสลามถูกต้องป่ะนี่ทางตรงนะแต่ทางอ้อมเนี่ยประชาชาติอิสลามหรือสังคมเนี่ยก็ถือว่าบุกพร่องโดยรวมในการที่เราไม่มี กระบวนการตั้งรัฐอิสลามอันนีทางอ้อมน้นไม่ใช่ทางตรงซึ่งมันก็จะโยงไปถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่ต้องมีรัฐแต่เราดันเพิกเฉยกับการตั้งรัฐอิสลามที่จะบังคับใช้กฎหมาซึ่งการที่จะดิ้นรนในการที่จะตั้งรัฐอิสลามเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบ ไม่ใช่ว่าจะตั้งรัฐอิสลามที่สมบูรณ์แบบเหมือนระอิสลามสมัยท่านนาบีสุลตานสัลเลมละซ้อนแต่กตามหมายของคําว่ารฐดิสลามนในหมยัยที่ว่าเราต้องพยายามที่จะให้ข้อกฎหมายหรือและการศาสนาคำศัพท์รูปประการได้ปรากฏเยังเป็นรูปธรรมเข้าที่ทําได้ นี่อการที่เราได้ริเริ่นในการที่จะให้มีการ伊斯สลาร伊斯兰ไม่ได้หมายถงว่าจะต้องมีทรรเนียบของมุสลิมทําเนียบรัฐบาลของมุสลิมมีกระมุสลิมไม่ใช่ยกตัวอย่างอย่างอย่างบ้านเรานในการที่จะพยายามให้มุสลิมสามารถใช้ชีวิตด้วยหลักการศาสนา อย่างอิสาราเเนี่ยเท่าที่ทำได้รวมถึงการที่ไม่ไม่อนุญาตการพยายามที่จะไม่อนุญาตให้ข้อห้ามต่างๆได้ปรากฏได้ปรากฏเท่าที่ทำได้ซึ่งเดีแต่มีตัวอย่างที่จะเกี่ยวกับเรื่องที่มันกาลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็นนี้ก็ต้องต้องพูด มันไม่ค่อยมีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะเขาไม่ได้เชิญเราไปเซ็นเอโมยูไงจะไม่รู้จะพูดที่ไหนก็อย่างน้อยนี่ก็ต้องพูดเชิงวิชาการนะนะเชิงวิชาการนี่ให้เข้าใจเรื่องของพวกนี้ทั้งหมดมันก็อยู่ในวิชาของรัฐศาสตร์อิสลามแต่ความความไม่นิ่งของสถานการณ์เนี่ยทําให้ ผมเคยพูดว่เราไม่ได้ศึกษาหรือไม่มีไม <t rire> ja okay ่มีสังคมเนี่ยไม่ได้สนใจที่ศึกษารัฐศาสตร์อิสลามในยามปกติเราจะศึกษารัฐศาสตร์อิสลามหรือจะพูดถึงรัฐศาสตร์อิสลามเนี่ยต่อเมื่อมีสถานการณ์แบบเนี้ในความเรื่องแบบนี้แล้วก็เกิดความขัดแย้งวิวาห์วิจารมันได้ไม่ได้มันถึงจะมาพูดซึ่งมันถือว่าเป็นเป็นจุดอ่อนจุดอ่อน เหมือนคนที่ไม่ได้รักษาสุขภาพแต่รักษานั่งงานหมายถึงว่าถึงจะมีปัญหาเอาเข้าห้องผ่าตัดเลยทั้งนั้นแต่มันมีวิธีในการที่จะป้องกันก่อนห น, น้านี้นี่ก็เหมือนกันอายะที่เราจะศึกษาเรียนรู้นี้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสกาศโดยตรงแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องระบบ ระบบของอิสลามในมิติที่คนส่วนมากเนี่ยไม่เข้าใจว่าแล้วอิสลามจะมีระบบในเรื่องนี้ได้ไงนั่นก็คือเรื่องระบบระบบเวลาและปฏิทินอิสลามมีระบบดมีระบบในการนับเวลาในการในการตั้งปฏิทินและเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวโยง กับการประกอบศาสนกิจเรื่องเวลาและปฏิทินเนี่ยการประกอบศาสนกิจซึ่งตั้งแต่สมัยเจริญยะนี่ก็คือก่อนยุคที่จะมีอิสลามมีบทบัญญัติอิสลามเนี่ยมันก็มีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลงระบบนี้ระบบเวลานี้เลยอิสลามได้มา มาต่อต้านระบบของ j า h ิ l i y a เช่นทุกระบบ jahiliya ที่อิสลามมาต่อต้าน jahiliya นี่เคอธิบายแล้วก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่ไม่มีคําสั่งสอนดังศาสนาเียกได้ว่า j a h i l i นี่มาจากเจ้าล่เจ้าเล่เบวะง้อเขาหรือไรไรความรู้แต่ความรู้ตรงนี้หมายถึงความรู้ที่มาจากคําสั่งสอนของพระเจ้า คนเรานี่จะจะมีด so ็อกเตอร์จะมีปรเฟเซอร์แต่ไม่รู้คําสั่งสอนของศาสนาอิสลามนี่ก็ถือว่ายหญ่เอจะมีเป็นเนีป็นญนีโทกี่ชิ้นเป็นญนีเอกี่ชิ้นต่อ่านฟาติฮ่าไม่เป็นถือว่ายหญ่เอพูดกี่ภาษาสีหภาษาแต่อ่านฟาติฮ่าไม่เป็นก็ถือว่ายหญ่เอใหญ่เนี่หมายถึว่าโง่เข่าอิสลามได้มาจะได้ ลมลางระบบยาฮิเลียระบบยาฮิเลียที่ที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าไม่ยอมรับในคำสั่งสอนของพระเจ้าต้องการให้ศูนย์กลางของของโลกนี้เนี่ยก็คือชีวิตหรือมน ร, รชีวิตของมนุษย์ใปนศูนย์ศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่างต้องสนองสนองความต้องการของมนุษย์อนนี่คือยัฮิเลีย แต่ก่อนนี่นวิธีชีวิตของเขานี่คือเป็นเจ้าสำราญไงแต่เล่นการพ น, นันก็เล่นกินดอกเบีย้ยก็กินโสเภณีก็เอาดื่มเหล้าก็เชิญก็ทุกอย่างนี่ที่มันเป็นข้อห้ามนะมนุษย์ทำได้และไม่มีใครจะไปไปอะไรกับเขารวมถึงศาสนาคำสั่งสอนนี่นะที่มันเคยมีอยู่แล้วนะ การที่จะบิดเบือนศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องอิสลามเหมือนกันน่ะใครที่ว่าเอาเลยศาสนานี่ใครไม่เอาใครอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องศาสนาเชิญเนี่ยยาฮิลีออิสลามโอ้เดียวเยวเดียวคำสั่งสอนของพระเจ้านี่บันอาจมาล้มล้างมาเปลี่ยนแปลงได้ไงสรุปว่าตั้งแต่สมัย ท่านนบีบรหิมมีคําสั่งสอนที่ท่านนบีบรหิมถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยเนบีนุเป็นเรื่องโบราณมากว่าปีเนี่ยปีเนี่ยมีสิบสองเดือนและในสิบสองเดือนเนี่ยมีสี่เดือนที่ต้องห้ามเป็นคําสั่งสอนตั้งแต่ดึกดําบันสี่เดือนที่ต้องห้ามนี่ ذو القعدة ذو الحج محرم لقرجب และสามเดือนที่ต้องห้ามนี่กำหนดต้องห้ามนี่เพื่อต้องห้ามหน่วยต้องห้ามทำสงครามห้ามสังหารห้ามป้นห้ามทำไมอ่ะเพราะเป็นสามเดือน ร, รุขาหน้านี่ก่อนทำฮัจหมุฮัรรมนี่หลังทาฮัจก่อนทำฮัจนี่คนจะได้เดินทางปลอดภัยไปทำฮัจทำฮัจช่วงเดือนสุริยยะแล้วก็กลับค่ากลับแลสามเดือนเนี่ยเพื่ออานวยให้ ทำฮัจ์อย่างปลอดภัยแล้วก็เดินระยับล่ะเดินระยับนี่สาหรับคนที่ไม่ไม่สะดวก ท, ทมฮัจจะทําองค์ร้อยอย่างเดียวก็เดือนเดียวพอที่จะเดินทางไปแล้วก็เดินทางกลับในหนึน่งเดือนทําองค์ระอยทุกคนนี้ก็ยังเป็นจารีตประเพณีในโลกมุสลิมมาน่ะ่็เรียกว่า ม, มูรัตระยับอุม์ร้อยของเดือนละจับมันมีตั้งแต่ดึกดำบรรดแต่ไอการกำหนดการเนี่ย มันทำให้พวกมาเฟียพวกแสวงผลประโยชน์พวกโจรเนี่ยมันขัดข้องมันมันลำบากที่จะทำมาหากินม า, ากินปนแล้วก่อนนุ่นน่ะเผาบางเผานี่อาหารหมดตังไม่มีเนี่ยไปป้นเขาป้นชาวบ้านเขาแล้วถ้าเขาชาวบ้านนี่เขา เขาต่อสู้หลอเก็ต้องสู้ก็ต้องฆ่ามันอันนี้สะดวกจะมาป้นช่วงเนี้ย ช, ช่วงเดือนที่ต้องห้ามนี่ทำยังไงอะ่ะเขาเขาก็ยังวระเงินให้เราจะยุกเลิกเดนทีาไม่ได้ทำยังไงอะ่ะเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนมุฮัรรมเนี่ยโอ้ย มันคือมันสามเดือนมันติดติดกันไงสามเดือนมันติดติดกันแล้วก็ช่วงช่วงขากลับของคนที่ทำฮัทแล้วก็ขากลับนี่แหลช่วงเดินเดินทางคารวาลคนอเดินทางกันน่ะเหมาะสำหรับป่นเะนมูฮัรรัมเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายอ่ะมันมันจะเยอะอ่ะสามเดือนติดๆกันทำาไงอ่ะเลื่อนเลือนมูฮัรรัมนี่นะ ไม่ไม่ให้เป็นเดือนที่ต้องห้ามเลื่อนเป็นเดือนสฟปอร์ซะแล้วก็อนเลยเนี่ยเขอันนาซีนาซีนี่ก็คือเลื่อนให้ราชาเนี่ยอิสลามมามาต่อต้านพฤติกรรมของพวกยาฮิเลียที่กำลังบิดเบือนบิดเบือนคำสั่งสอนว่าสิ่งที่มันฮารอมนะ มุฮัรรอมเนี่ยรอมที่ต้องห้ามมันนะให้มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลคุณคุณไหมผมเคาย็อยอะไรคยายสิ่งที่มันหารอมนะให้มันมันฮาลาลนั่นแหละเจริยเกี่ยวกับมุสลิมหรือไม่เกี่ยวบังคับไม่ได้บังคับแต่การที่มีส่วนร่วมในการที่จะเปลี่ยนคำสั่งสอนน่ะ สิ่งที่มันฮรอให้มันฮาเล็กาสนเราเราเนี่ไม่ได้กินเหล้าเราไม่ได้กินเหล้านะแล้วบอกที่นี่ที่นี่เนี่ยมุสลิมห้ามกินเหล้านะห้ามกินเหล้าแต่มีพี่น้องต่างศาสนีบเฮ้ยผมผมขอแล้วกันขอละกันตรงนี้เนี่ยผมขอกินขอกินเหล้าอ่าแกกินและจะกินแกก็กินกินอนี้ยากนะอนี้าตกินล้า ก็มันก็ไม่ได้บังคับเราไนงะแต่สินี้เขาไม oy, บอกคุณต้องกินเหล้ามันไม่ได้บังคับแต่เขาขอความเห็นชอบให้เขากินเหล้าเห็นชอบไหมเห็นชอบเขาไม่ได้บังคับเรานะแล้วถ้าเราไม่ได้กินเหล้าสทัทีเราก็ยังเราก็ยังเชื่อว่าเหล้านี่มันฮารอมสําหรับเราแต่ที่ บิดเบือนเปลี่ยนแปลงนงอะไรอ๋อมันฮอรอมสสำหรับเราแต่ไม่ฮอรอมสสำหรับเขาซึ่งเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดและก็มีมุสลิมจำนวนเยอะที่ยังไม่เข้าใจมันเหมือนอะไรม้าอันนี้ผมเจอในชีวิตได้เจอเองบ้านเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยโดยเฉพาะมุสลิมที่อยู่กับชุมชนที่ไม่ใช่มุสลิมเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ บงที่นี่ก็มีไก่ตายเป็ดตายทำอะไรอะเออเหมือนเมือลซลีกับบางกองน้อยเนี่ยก็ไม่ต่างกันเอาไปใ ห, ไปให้ไปให้เพื่อนบ้านที่ไม่ใชุ่สติปตายไก่ตายคุสลิกินไม่ได้สัตว์ตายที่กินไม่ได้แต่พี่น้องต่างชาติชาวพุทนี่ยเขากินสัตว์ตายเนี่ยเขากิน ไปให้เขาได้หรอไปให้สิ่งที่มันห้ารสําหรับเราเนี่ยเราต้องเชื่อว่ามันห้าร่ำสำหรับคนอื่นเราไม่เ อ, อื้อให้เขาทําให้เขาให้เขาประพฤติให้เขากินให้เขาดื่มก่อนนั้นตอนที่ราชการยังมีอนุญาตให้เบิกงบซื้อกระเช้าเหล้า องปีใหม่อะก่อนนูนมีนะนาทีหลังเขาก็ออกกฎหมายห้ม า, หามคาถามเยอะเลยเนะี่ยผมรับองถโดยเฉพาะ้หรักผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมมานะเช็คทำยังไงอะลูกน้องหนก็เชาวเล่าเทมบาท้าไปหมดเลยแต่ก่อนนู้นอยากจะเอาใจเจ้านายทำอะไรซื้อเหล้าอันนี้เป็นข้อที่จริงในสังคมบ้านเราซื้อเหล้า ตัวคนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แ้ารัชการยังไม่ได้ทำมาแล้วก็ไปแอบทากันข้างนอกไม่ได้ใช้งบของรัชการเนี่ยข้างนอกอลูกน้องอยากได้ใจแล้วโขวดละสองสามพันห้าพันอย่างนี้เยทายัางไงผมเอาไปให้คนอื่นได้ไหม เ, เข้าใจกันว่าเราว่ากินเล้าไม่ได้แต่คนอื่นเขากินเล้าได้ ไม่ใช่เขานี่กินเหล้าเป็นของเขาถ้าเขาจัดการอะไรนะเราไม่เกี่ยวแต่ถ้ามาทางเราเนี่ยถ้ามาทางเรานี่ไม่ได้รัฐอิสลามนะจะไม่ห้ามต่างศาสนาเนี่ถ้าเขาหมักเหล้าเองกินเหล้าเอ ง, ทงเทำอะไรแบบไม่ห้ามทําเองแต่รัฐอิสลามนี่จะไม่สร้างโรงโรงเหล้าให้เขาจะจะไม่อำหนวยความสะดวกการตลาดเหล้าก็ไม่ไม่ แม้ระนั่งภาษีนี่จะเก็บภาษีอะนะภาษีที่มาจากการค้าของเล่านี่ก็ไม่เอาก็ไม่เก็บจากเ้านี่ความเข้าใจนี้เกี่ยวกับเรื่องนรัสศาสตร์ทิสลามะนะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะพูดรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยอันที่จริงเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าโอกาสของของมุสลิมในการที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกครองอย่างแท้จริงแทบไม่มี เราแล้วก็ที่มุสลิมที่คนนีเน่เนการเมืองเนี่ยเขานี่เนี่ยสิบเก้าคนนะสอสประดับประดาประดับประดามันเหมือนสร้อยเหมือนกําไรเนี่ยมันไม่มีส่วนอะไรทําให้เราแข็งแรงหรอกแม่งงั้นนะ่ปะป่านนี้คนเขาก็เอาทองมาม า, มากินเงินจะได้แข็งแรงแต่เขาเอาทองทําอะไรอะประดับประดาประดับสุดหงำเออเระบบการปกครองนี้ไงมีมุสลิม แต่จะให้มุสลิมเข้าไปกิยวข้องไปไปอะไรมบรกมีเบรกหรือมีเงินไขใน m ม u ให้สบายใจเออลองสังเกตดูนัก็จะเป็นแบบนี้หรืจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นการให้เกียรติให้เกียรติวิถีชีวิตของมุสลิมเอคุณก็มีเพราะอ ย, ย่างมุสรักอิสลามนี่นะจะไม่มีกฎหมายอิสลามไปบงังคับเขาเลย กฎหมายจำเป็นใช่ของมุสลิมพวกคุณอยากใช้กฎหมายผมเอาคุณเอ า, เ, เ, อ า, เ, อาเอาไปเลยใช้เลยตามตามสบายเลยกฎหมายของพวกคุ ณ, คณแต่การที่จะให้เกียรติว่าเออมุสลิมเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลชีวิตของตัวเขาเองไม่ไม่ให้ไม่ให้ความคิดไม่ให้วิถีชีวิตในสิ่งที่มันขัดหลกัการศาสนานี่เข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงแทรกแซงมาแทรกแซง เซ็งแน่นอน <IS> เขาบอกว่าสมรสเท่าที่มันก็ไม่บังคับสําหรับคนที่มีความเชื่อนะความเชื่อที่ไม่เห็นด้วยวกับเรื่อง LGBT อะไ ร, นไรเนี่ยก็ไม่บังคับนี่น้มุสลิมคริสเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้เขก็ไม่บังคับสบะเราก็เรู้สึกสบายใจ จริงประเด็นของทะเบียนสมรถเท่าเทียมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเรื่องบังคับคู่คู่สมรถหรือบังคับผู้ดําเนินการพิธีสมรถเส้นอิหม่ามขอเต บ, บิลันน่นนะไม่เกี่ยวเพราะ น, นี้มันไม่ใช่สมรสด้านศาสนานเป็นสมรสด้านกฎหมาย ก็ไปจุดทะเบียนสมรสนู่นในเขตแอมเพอรนู่นเขาไม่ได้ไปสู่เราหรอกเกสองคนนี่จะสมรสจะสมรสเนี่ยเขาไม่มามื่อสิ้นแน่นอนอันนี้แน่ร้อยเปอร์เซ็นเขาจะไม่บอกว่าอีมามานิก้าให้พวกผมหน่อยเป็นเป็นไม่ได้แต่ที่เป็นไปได้และอันนี้คนส่วนมากก็ไม่เข้าใจกันที่เป็นไปได้สมรสแล้วสมมติว่า ชายผู้ชายเนี่ยสมรสแล้วถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายไอ้สองคนนี่มาสมัครเป็นคอเตนเป็นบิลัดสมัครเป็นกรรมการอิสลามจังหวัดกรรมการอิสลามมัสยิดได้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายทั้งๆดี ในพรบว่าด้วยบริหารองค์กรมุสลิมเนี่ยถ้าเราถูกพิพากษาคาดีทุจริตนะคดีทุจริตนะเราสมัครไม่ได้หมายถึงว่าเคยไปโกงเคยไปเช็คเด้งอะไรพวกเนี้ยสมัครไม่ได้สมัครไม่ได้นะเป็นอิมามเป็นอะไรไม่ได้นะแต่ถ้าตัวเทเบียนสมรส ถ้าใครมาแยงบอกโอผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยสมัครเป็นอิมาเหม่งนนอิมาเป็นทอมเหม่งสนุกนะงานเนี่ยเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวพผมบอกแล้วอะปอนะ นอกเทยเนี่ยอินโดก็มีละมัสิตมัสิอลจีเนี่ยมีละออสเตรเลียนี่มัสิเกนี่มีละแคนาดานี่มีละอเมริกามีมานานละมีละของพวกนี้เนี่ยกลังมันกำลังคุกขามคุก ไม่พูดไม่วิจารณ์ว่าเออมันเกิดเพราะอะไรเพราะเราบกเพราะอันนี้อันนี้ก็ว่าเดี๋ยวเราก็มีโอกาสว่าที่จะวิจารณ์กันได้แต่แต่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ถูกต้องอย่างไงก็ไม่ถูกต้องเกิดจากความบุกร้องของเราที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง LGBT ตั้งแต่แรกปัญหาที่สังคงต่อต้านแล้วก็ไม่ไม่รับฟังไม่พยายามบ่อนข้อมูลให้ความรู้กับคนเหล่านี้จนเขาต้องปีกตัวออกแล้วก็ตั้ง หน้าจักรของเขาจนเขาใหญ่โตแล้วก็รู้สึกฮึ ก, ฮ ก, ฮกเหิมเรียกร้องสิทธิจนกระทั่งการที่จะแสดงออกตอกอนนุ่นน่ยมีความอับอายโดยนี้มีความภูมิใจแทนภูมิใจในในใ น, ในความในการเบี่ยงเบนทางเพศเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ไดีไม่ได้ถูกโฟกัสให้สังคม ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในในกฎหมายเราเนี่ยและนี่คืออยู่ในอยู่ในเนื้อหา ช, ชัดๆของบทบัญญตัติที่จะให้มุสลิมเนี่ยไม่ยอมรับในระบอบในระบบในกฎหมายที่จะบิดเบือนคำสั่งสอนไม่ใช่เพราะกฎหมายนี้เนี่ยจะให้จะให้เราทำหรือไม่ทำนะไม่ใช่ แต่มันเกี่ยวกับว่าการบัญญัติบัญญัติให้อะไรที่มันฮะรอมเนี่ยเปลี่ยนเป็นฮะลาลเนี่ยอันเนี้ยไม่อันุญาตเพราะไม่เป็นพระอํานาจของอัลลอฮฺสุลตา่านอะไรที่อะไรที่ถูกห้ามไว้แล้วเนี่ยเราจะให้มันเป็นที่อนุมัติสามารถกระทําได้หรือไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไม่ได้นี่เป็นอํานาจของเราไม่ใช่อํานาจของเรา หลักการมุสลิมร่วมร่วมอยู่ในกลุ่มหรือในองค์กรที่มีอำนาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการตากฎหมายทางการมุสลิมตัวแทนมุสลิมเนี่ยก็จะต้องวางตัวให้ถูกให้สอดคล้องกับหลกักการศาสนากฎหมายใดๆที่ไม่ขัดกับหลกักการศาสนานี่โหวตได้เลยโหวตได้เระเบียบว่าด้วยกฎหมาย สงวนลิขิตหรือปกป้องลิขิตขาของมะลิยกมือโหวดได้เลยแต่พอมากฎหมายที่มันจะเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนานี่นะครับขั้นต่าที่สุดเนี่ยที่เขาเรียกว่าอัฟุลอีมานเนี่ยอีมานที่ต่าที่สุดนี่เนี่ยก็คืองดเสียงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง แต่ที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันในเมื่อไปอยู่ในสภาแล้วเนี่ยขานลูกมือค้านไม่เห็นด้วยสิบเก้าคนที่เป็นสสเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมมานะถึงจะอยู่พรรคไหนก็ตามพรรคไหนมีนโยบายอะไรก็ตามที่ผิดหลกักการศาสนาเนี่ยเสียงสิบเก้าคนนี่ต้องเหมือนกันถึงจะเรีย ก, ก็เป็นสสมุสลิมที่มีอุดมการณ์มุสลิมแต่ถ้าเสียงมันเป็นไปตามนโยบายของพรรค บางบางนินิที่อยู่พักกัญชานี่ก็โหวตให้กัญชาบางบางนินิที่อยู่ในพักที่ อ, อ, อะไรนะเศรีศูนย์เศรีอาจจมีคนเดียวโหวตให้หรือไม่ไม่ขัดข้องหรือไม่ แต่ก็แสดงว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ละแน่นอนชัดเจนมันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์เราเล่นการเมืองเพื่อเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คําสั่งสอนของอิสลามไม่ใช่การปกป้องคําสั่งสอนอิสลามแน่นอนมีผลประโยชน์อะไรหลายอย่างที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นเรื่องความมั่นคงของสามจังหวัดเรื่องสิทธิมนุษยธรรมใช่เป็นเรื่องใหญ่ เราก็เรียกร้องแต่ไม่ควรที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องศาสนายกเลิกกกดไอ้การศึกสามจังหวัดนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใหญ่กว่าอิสลามไม่ใหญ่กับความสั่งสอนของอิสลามถ้าเรามาเล่นการเมืองนี่จะได้ให้มีสิทธิมนุษยธรรมกับคนสามจังหวัดนี่มันมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดีที่ถูกต้องมีความชอบแต่ เขาจะได้เห็นชอบเขาจะได้สนับสนุนการเรียกร้องยกเลิกกฎหมายอะไรก็กฎหมายการกฎหมายการศึกนี่ไอเรื่องอื่นๆนี่ที่ที่เขาต้องการแล้วมันขัดกันกันศาสนานี่เราเฉยๆหน่อยเราสงวนท่าทีหน่อยเขาจะได้สนับสนุนเราในเรื่องอัลลอฮฺจะกระตุ้นเราในเรื่องหัวคอยเราจะมาแลกเรื่องต่ําเรื่องต่ำกับเรื่องสูง เรื่องด้อยกับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องหลักการศาสนาคำสั่งสอนของพระเจ้าอันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดะะระมาอธิบายอายะที่สามสิบสนะเราก็จะเข้าใจชัเหรเข้าใจมากขึ้นนะครับในประเด็นที่ได้อธิบายไปข้างต้น بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ع د ة الشهور عند الله ا ث ن ع ش ر ش ه ر ا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا وعلم أن الله معلم ا ل ت ق ي ن อินเดดเดชูฮร عند الله 12ทกินจานวนเดือนนะอัลลอฮนวนิดจำนวนชูฮูัของ شهر ่าเดือนบรรดาเดือนชฮูรอกหขอของมันเนี่ร عند الله อัลลอฮเดือนของปีนี่ ว่าเป็นสิบสองเดือนมีสิบสองเดือนนะอัลล์เนี่ยฟีกิาบิลแลหิในคำพีของอัลลอ์นี่หมายรวมว่าการนับปีว่ามีสิบสองเดือนนี่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ س ตาเออมนแปลกทำไมปีไม่มีสิบเดือนนะสมสิบเดือนนะอาจเข้าใจว่า ระบบของสุริยะตินี้มันนับเวลาของการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์สา5ร้อยหสิบห้าหรือห6สิบหสหกสิบห้าวันแต่ในสา5้สิบห้าวันเนี่ยไม่ได้มีข้อบังคับว่าจะต้องหารให้เป็นสิบสองเดือน ในวันวล้เขาหารไปแล้วเนี่ยขเขาเกิดวุ่นวายเลยเดีกด๋ก็คมเดี๋ก็ยนเดี๋ก็วุ่นวายไปหมดเลยถ้าสมัยโรมันเนี่ยขเขาก็ใช้ระบบของไกเซอร์อยูลิอสเนี่ยระบบการนับปฏิทินสุริยคติของของโรมันเนี่ยมันมีข้อบกพร่องที่ทําให้คริสตเนี่ยไม่สามารถกําหนดวัน วันตรุดบางวันของเขาได้ปุ๊บในศตวตรรษที่สิบหประมาณศตวตรรษที่15คริสตการนก็สั่งให้เปลี่ยนระบบของโรมันเป็นระบบที่เขาตั้งเองซึ่งในการระบบนับปีใหม่นี่นะครับเขาก็ให้เริ่มเลยเพราะตอนนั้นนะ่ะมันอยู่ช่วงท้ายปีเขาก็ให้เริ่มเลย ตอนนั้นเขาอยู่ช่วงประมาณ 12-13 ธันวาว่าห้เริ่มเลยปีใหม่เลยซึ่งมันตกไปประมาณ10วันเนี่ยวันนี้ก็ยังถกเถียงกันว่าประวัติศาสตร์ของเรานี่หายไป10วันเนื่องจากว่าระบบของสุริยคติเนี่ยไม่ได้มีกำหนดในระบบเนี่ยว่าจะต้อง12เดือนแม้กระทั่งจันดคติจันดคติเนี่ย โดยระบบของเดือนนี่ใช่เพราะโคจรโคจรของดวงจันทร์กับโลกเนี่ยถ้ามันครบหนึ่งรอบเนี่ยนั่นคือหนึ่งเดือนจันทคติแต่ไม่จำเป็นต้องให้นับโคจรของดวงจันทร์กับโลกเนี่ยสิบสองรอบก็คือส2บสองเดือนมัน ม, มีความจำเป็นแต่ทำไมาเราเห็นเรื่องนี้เนี่ยมีตั้งแต่ดึกดาบรรณั น, น, นในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อะไรที่เห็นเราเห็นว่าเออทั่วโลกก็ทํากันแล้วมันไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ก็มีเหตุผลในระบบอะนะอย่างเช่นสัปดาห์ทําไมต้องเจดวันละ่ะเออทําไมสัปดาห์ทําไมไม่มีห้าวันเจ็ดวันทั่วโลกเลยปีก็เหมือนกันบางอะไรรมนี่คณะปีสิบเดือนอย่าง ปฏิทินพุทธิบางยุคเนี่ยนะเขานับปีสิบเดือนแต่เขาจะต้องมาชดอีกทีหนึ่งทุกไม่รู้กี่กี่ร้อยปีเนี่ยก็ต้องมาชดชดที่มันเหลือนี่จะได้จะได้ครบเพราะมันมันมันไมน่มันจะไม่ตรงเพราะเขาจะอาศัยสุริยคติเหมือนกันและระบบที่ที่ถูกต้องที่สุดและง่ายที่สุดและสอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดนี่ก็คือระบบจันทคติและอันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่า อินแนวไอ้เดต้ชูฮุ่จำนวนเดือนตรงนี้ในกระหมายมที่มัวเดือนตามระบบจันทคติไม่ใช่สุริยคตินะทาไมอ่ะเพราะของระบบจันทคติเนี่ยทุกคนเนี่ยคำนวณได้นับได้ด้วยตัวเองชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องไปเรียนดราราศาสตร์ไม่ต้องเรียนวิชาเลขคํานวณอะไรไม่ต้องว่าวดูเฝ้าดูดวงจันท์จะกี่ล้านถึงกี่ล้านเนี่ยจันเสี่ยวถึงจันเซี่ยวเนี่ยหนึ่งเดือนละ น้ำได้เดือนหนึ่งละสิบสองเดืนอนนี่อนน้ำหนึ่งปีละทุกคนทุกคนทำได้เริ่มต้นเดือนจบเดือนก็ใช้สายตาไม่ต้องใช้คำนวณอันนี้เหตุผลว่ทาทำไมถึงท่านดับิสโลโลเซลบอกว่าเราเป็นประชาชาติประชาชนาง่ายง่ายท่านดับิสใช้คำว่านักหนอุ้มมาตุนอุ้มมีเราเป็นประชาชาติที่ไม่ได้อ่านไมได้ไม่ได้คำนวณ แต่หมายรวมตรงนี้เนี่ก็หมายถึงว่าเราเป็นประชาง่ายๆไม่ต้องในเรื่องในเรื่องนับนับเดือนนับปีเนี่ยซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจเนี่ยง่ายๆเพราะศาสนาของเรานี่ง่ายๆไม่ต้องคํานวณไม่ต้องอะไร ย, ยุง่งยากแต่ที่อัลลอฮ์บอกว่าฟิกิตะบิลลาฮีในคําปีของอัลลอฮ์นี่ก็ไม่ได้หมายรวมว่า คำพีก่อนเท่านี้เนี่ยระบุว่าต้องสิบสองเนี่ยไม่ใช่พีกีต่เป็นไลในการบันทึกในการบัญชาของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาเดี๋ยวเราบัญชาไว้ทดี๋ยวเราสั่งสอนไว้ไม่ได้หมายร่วมว่าจะต้องเคยในคำพีเนี่ยมีการกําหนดว่าต้องเป็นแบบนี้มาแต่ละยุคแต่ละสมัยนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่มันเป็นคําสั่งสอนจึงเป็นเรื่องเอกฉันของอุลามาว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาที่มันจะเกี่ยวกับการนับวันเดือนปีจะต้องยึดในปฏิทินอิสลามที่ใช้ระบบจันทคติเช่นไม่ใช่เรือรอมฎอนอย่างเดียวนะไม่ใช่เดืหองฮัตอย่างเดียวนะพอนี้เบสิกเลยนะรอมฎอนเราก็ต้องเราไม่ใช่สุริยคติาต้องจะต้องต้องดูเดือน ถ้เหมือนกันก็ต้องดูเดือแต่มีหลายอย่างที่คนไม่เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ปฏิสลาเหมือนกันเช่นอิดดะจำนวนวันที่ต้องรอคอยสาหรับผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตาะลัดีเนยตะเเฟนะมิคุมัยรุนอาซวาจยยตรบัสบอันฟุซิน4 การรอคอยของนางเนี่ยต้องรอคอยสี่เดือนอับาาช่วยวัชรอและสิบวันสิบวันหรือสิบคืนอันนี้แล้วแต่อุลามาเขมี <c oughs> สี่เดือนสิบวันนับสี่เดือนยังไงอะเดือนเนี่ยมกราคมพไม่ใช่เดือนในอิสลาม อ, าอ้าวแต่้าวเขาไปเสียชีวิตกลางเดือนละ่ะทำยังไงดีอะ มันจะนับเดือนน่ะถ้าเสียชีวิตต้นเดือนเนี่ยนับเลยนับตั้งแต่ต้นเดือนเดือนจะสามสิบจะย9สิบเก้านี่อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้ากลางเดือนล่ะอุะอลมามเขาบอกว่าให้นับสามสิบวันให้นับสามสิบวันไม่สามสิบเอ็ดไม่ใช่นะไม่ใ่ี่สิบเก้าไม่ใช่สิบปดนะนับสาสิบวันเพราะอะไรเพราะ เดือนของจนันทรคตินี่ก็ยีสิบเก้าหรือสามสิบเอาที่เป็นส่วนมากมันจะได้นับง่ายเพราะไม่สามารถที่จะนับยี่สิบเก้าเพราะยสิบเก้านี่มันต้องอาศัยเรื่องดูคือแต่เห็นเนี่ยมันก็จะยี่สบเก้าไแต่ไม่เห็นเนี่ยมันเท่าไหร่สามสิบก็ต้องใช้ปฏิริสล l มถ้าสมมติมีคนบนบานนะจะ มีคนบนบานว่าจะถือสินอดหนึ่งเดือนถ้าเขาไม่ได้เจาะจงเดือนนะไม่ได้เอ่ยชื่อเดือนนะก็ต้องใช้เดือนตามปฏิินอิสลามเลือกเหลือเดือะไรก็ได้แต่ถ้าเขาเจาะจงะเขาบนบานว่าจะถือสินอดเดือนมกราเขาต้องเดือนมกราแต่ถ้าไม่ไม่ได้เจาะจงเนี่ก็ต้องเอาหลักการศาสนานี่มาใช้ อันน ne ี้เ <frick> รื rough, shrink, dynamics, rough, ่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปฏิทินเนี่ยระบบระบบทั้งหมดเนี่ยของหลักการศาสนาในภูเขาเกี่ยกับปฏิทินอิสลามการนับเวลาตามปฏิทินอิสลามยุหมัทสร้าวรรค์และโลกวันที่พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินตั้งแต่เราสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินระบบโคจรมันก็เกิดขึ้น ตอนนั้นเลยโคจรของของโลกกับดวงจันทร์ซึ่งสังเกตนะระบบโคจรโลกกับดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์นี่เห็นได้แต่โคจรโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยมนุษย์เห็นได้ไหมคำนวณเป็นการคํานวณเราไม่เห็นโลกลูกครบเวียงฤดูตามฤดูอันนี้ต้องคํานวณ เนี่ยคํานวณเขาเพิ่งประกาศวันจันทร์เป็นวันจันทร์เมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเริ่มเริ่มฤดูฝนอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้นีน ฝ, ฝ, ฝนเถื่อนฝนไม่เป็นทางการที่ราคาญเนี่ยที่เขาจะใช้คําเนี่ยเป็นทางการเริ่มเป็นทางการ นุกอย่างก็จะเอามามัมา ม, มามแม้กระทั่งสิ่งธรรมชาตินก็จะเอามาอมาอยู่มาอยู่ในมาอยู่ในบังคับของของเขาเนี่ยมันมันมันเกินไปอะระบบของโลกจักรวาลนี่ทั้งหมดนี่พระเจ้าเป็นผู้สร้างท้าไมไม่ทอมตนกับเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่า เรากําลังสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นผู้ควบคุมดูแลทุกอย่างทั้ทงทั้งนี้เราก็เราก็รู้กันนะว่าที่เขาอ้างว่าธรรมาชาติเนี่ยเวลาธรรมชาติเนี่ยมาสั่งสอนอะไรเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้มีพายุมีฝนมีอะไรขาดการอุตุนิยมเนี่ยโอ้โหแถละงการเนี่ยก็มีรัฐประหารเนี่ยตรแถละงการไหมายเลขอเท่านู้นเท่านี้เนี่ยแล้วก็พอไม่กวันหนึ่งอ่ะแบะแบไม่มีเลยที่ที่เขาคาดนี่ก็ไม่มีเลย มันก็ให้เห็นนะว่าเออมันไม่ใช่โครงสร้างของพวกคุณพวกคุณเนี่ยไม่มีอำนาจในการกำหนดเลยราฝนอะไรนี่เป็นเรื่องของพระเจ้าเท่านั้นนะแต่นี่อัลลอฮฺสุบฮฺไพร์เนี่ยมีอำนาจที่จะบอกว่าเนี่ยกำหนดวันเดือนปีนี่นะยาว์มาคอลรกก็ตั้งแต่อัลลอฮฺได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วแน่องจากว่าระบบโคจร ที่ก่อให้เกิดการนับเวลาเนี่ยมาจากพระเจ้าวนะพระเจ้าก็มีอำนาจที่จะกำหนดความพิเศษของเวลาเชกเช่นที่พระองค์มีพิเิ์ในการกาหนดความวิเศษของสถานที่สถานที่อะไรที่พิเศษเป็นดินฮารอมเป็นดินที่ต้องห้ามเป็นอำนาจของใคร แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะกําหนดความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนอกจากสถานที่นี่นอกจากอัลลอฮฺมนุษย์นี่ไม่มีกฎหมายก็ไม่มีกฎหมายมนุษย์ก็ไม่มีไม่มีอํานาจเวลาก็เช่นเดียวกันใครที่มีอํานาจในการกําหนดความศักดิ์สิทธิ์ของเวลาขออัลลอฮฺอัลลอฮฺจึงบอกว่ามิหน่า أ ุนห ة حرم สี่เดือนในนั้นนะ่ะจากเดือนเหล่านั้นนะ่ะสิบสองเดือนเนี่ยมีอยู่สี่เดือนซึ่งเป็นเดือนที่ต้องห้ามฮุรุมฮุรุมพหุพจนเอกพจนของมันเนี่ยฮารอมฮารอมหลายฮารอมนี่ฮุรุมฮุรุมนี่พหุพจนนะฮารอมนี่นามหนึ่งฮารอมฮารอมนี่นามนนหนึ่ง หารอมหารอมแผ่นด di ินที di ่ต um ้องห้ามหรือจะเรียกว่าแผ่นดินหารอมก็ได้จะใช้มีอลไรเป็นฮารอมอัอมัสยิดอัลฮารอมก็ได้แผ่นดินที่ต้องห้ามหรือจะเรียกว่าอัลฮารมไม่ใช่ฮุรุมนะอัลฮารมแผ่นดินที่ต้องห้ามมีสถานที่เวลาก็เหมือนกัน ในสิบสองเดือนมีสี่เดือนที่ต้องห้ามต้องห้ามยังไงต้องห้ามนี่หมายถึงว่าต้องให้เกียรติเป็นพิเศษข้อห้ามที่มีอยู่แล้วอ่ะนะห้ามทำอ่ะห้ามฆ่าห้ามสังหารห้ามป้นห้ามอะไรมันก็ห้ามทั้งสิบสองเดือนนี่แหละแต่สิบสี่เดือนเนี่ยต้องพิเศษเชกเช่นแผ่นดินฮารอมห้ามทำนู่นทำนี้ไอ้ที่ทำนู่นทำนี่ข้างนอกฮารอมก็ใช่แต่ในฮารอมนี่ยิ่ง ยิ่งบาปนั้นมีอุลามาเนยบอกว่าฆ่าคนนะนอกแผ่นดินฮารอมนะก็จะมีเดียเนี่ยเดียเนี่กันไหมที่ว่าชดถ้าสมมุติว่าไปฆ่าคนนอกแผ่นดินฮารอมแล้วก็เขาไม่ติดใจเขาเขาให้อภัยแต่เขาเรียกค่าชดค่าชดเนี่ยอูดหนึ่งร้อยตัว อิหม่ามช اف ีด้บอกว่าแต่ถ้าข่าในฮารอมนเน่เป็นดินฮารอมนะให้คิดเบิลได้ทําไมอ่ะเพราะมันเป็นอาเชกรรมในพื้นที่ที่ต้องพึงระวังมากกว่ากฎหมายของมนุษย์นี่ก็มีกฎหมายของมนุษนยน์ษนี่เราสมมติเขาบอกว่าถ้าคน ถ้าคนขโมยปุน่นอะไรอเนี่ยก็มีอคุกคุกอย่างน้อยเนี่ยก็หกเดือนอย่างมากนี่ก็สองปีนะแต่มีคนไปปุ่นสอน อ, อย่างเงี้ยโอ้โหนี่บังอาจมากเลยเนี่ยไปปุ่นคอมของของสารวัตรอย่างเงี้ยบังอาจมากศาลบอกก็สองปีเต็มแล้วโอ้เต็มกระทงเลยทำไมเนี่ยเมัน้ปปุนทั่วไปนี่พอที่จะเข้าใจ คุณมาท้าทายอำนาจเจ้านาที่ขนาดนี้เนี่ยต้องลงโทษเป็นพิเิษประมาณนี้เดือนที่ต้องห้ามเนี่ก็คือกำหนดโเราสุภาณวตาละที่จะให้ผู้ศรัทธานเนี่ยให้ความสำคัญกับเวลาบางส่วนของปีชเช่นที่อาม่าให้เราให้ความสำคัญกับสถานที่บางสถานที่ ให้ความสำคัญกับมัสยิดฮะรอมกับมัสยิดนบีสถานที่ให้ความสำคัญความสำคัญนึงขนาที่สามารถเดินทางจะได้ไปประกอบศาสนกิจที่นู่นได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับเวลาเช่นเดียวกันในการให้ความสำคัญกับเวลานี่ทั้งเป็นการให้เกียรติไม่ทำบาประมัดระวังในเรื่องทาบาปหรือทาบุญถือสินอด ทำความดีต่างๆนี่ก็จะมีบุญมากกว่าวันเวลาอื่นๆเราบอกว่านี่คือศาสนาที่เที่ยงแท้ดเลกัดดีนุลขยิมนี่คือบัญญัติอันเที่ยงตรงที่ถูกต้องที่เที่ยงแท้ที่อบางกลุ่มนี้เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนเลาจึงบอกว่า فلا تظلم ف ي น ن ุ ن ف กุม ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าอธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเอง <c oughs> และตวิลิมูฟหินในเดือนเหล่านั้นอย่าอธรรมอธรรมนี่ก็หมายถึงว่าอย่าสุลุมอย่าอาธรรมตัวเองอาธรรมตัวเองนี่ทำผิดทำบาปเพราะการทำผิดทำบาปเนี่ยเป็นการอาธรรมตัวเองในทางอ้อมเพราะทำผิด ทำบาปนี้ก็ต้องรับโทษในวันเก่ามาถ้ารับโทษนี่เท่ากับเราเอาเรื่องเข้าตัวเองโยนเล่มตัวเองตัวเองก็อยู่ดีๆเฉยๆเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วแต่นี้พอไปทําบาปนี้เท่าก็เอาเอาเรื่องมาเข้าตัวเองนี่อาธรรมตัวเองก็เท่ากับอัลลอฮฺบอกว่อย่าหาเรื่องเข้าตัวเองในง่ายนะอย่าหาเรื่องเข้าตัวเองฟาลาตะลิมูฟีหินน่ามุสสกุฟีหินนะในเดือนเหล่านั้นอุลีมาส่วนมาก นันกการที่บายบอกว่าในเดือนเหล่านั้นน่นคือสี่เดือนอย่าทําตัวเองเพราะอะไรเพราะแต่ไปทําบาปในสี่เดือนเนี่ยมันเท่ากับเอาเรื่องลงโทษที่เจ็บแสบที่มันสาหาัสทวีคูณเนี่ยเข้ า, ต, า, าตัวเองเอับดอาบบะสก็ไม่อย่าทําตัวเองนี่ฟีหินนั่นนี่เนี่ยเอาสัพนาน้ำนี่กลับไปถึงนูน่นสิบสองเดือนอินนั่งเดตดชั่วโมงยังเดลลายทนายชาร จำนวนเดือนในวันสิบสองอย่าอาธรรมตัวเองในส2บสองเดือนนี่ถ้ามองถึงทศนาของธรมยา บ, บ้บบาสวดสรรพนามนี่หมายถึงว่าทั้งส2บสองเดือนนี่มันก็มันก็ไม่ต้องตอบคำถามว่าอา้าอย่าอาธรรมตัวเองในสี่เดือนอา้าแล้วก็อีกแเดือนสบายใช่ไม้มไม่ใช่ อันนี้ไม่ต้องตอบแล้วันะเนี่ยบา่าทั้งสิบสองเดือนเลยกระจบอย่าทำตัวเองอนี่ยทำบาปกระจบแต่อุลมาส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่าอย่าทำตัวเองนี่หมายถึงว่ามองถึงวิถีชีวิตของของชาวอาหรับก่อนยุคอิสลามเนี่ยตอนที่เขาถ่ายทอดคำสั่งสอนนี้เนี่ยในข้าวสมุดอาหรับศาสนาของท่านนบีอิบร่าฮิมและก็อิสมาอีนี่ ก็เป็นศาสนาเฉพาะเฉพาะอารับเนี่ยมันไม่ได้เป็นศาสนาของของมนุษยชาติไงเฉพาะของอารับซึ่งคำสั่งสอนเนี่ยที่ราสหวานวัานานะ์นบัญญาด้วยเนี่ยมันตอบโจทย์จากระบบสังคมอารับที่ มันไม่มีรัฐที่เข้มแข็งเพราะอารับตั้งแต่สมัยนบีบรูฮิมิสวน์นี่ไม่เคยมีไม่เคยมีรัฐรัฐแบบบรัฐที่บังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างเข้มงวดแล่นวิธีที่จะให้เขานี่ได้คำนึงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ละเมิดกันและกันเนี่ยก็ให้มีเวลาบางเวลาที่เขาจะต้อง ต้องสงวนท่าทีห้ามล่วงเกินห้ามละเมิดเนี่ยจะได้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับทุกคนในข้าบสมุทรอาหรับนี่ว่าห้ามทานะหน้าหมป้นกันหนะ้าห้ามเข็นฆ่ากันนะ <c oughs> ห้ามละเมิดกันนะจึงมีเหตุผลในวิถีชีวิตของของอาหรับเ <c oughs> ขาบอกว่าถึงขนาดที่อาหรับบางกลุ่มนี่เห็น คุณค่าของการกําหนดสี่เดือนในให้เป็นที่ต้องห้ามเนี่ยปรากฏว่ามีเผ่าอาหรับบางกลุ่มเนี่ย mm. เขามารวมตัวกันบอกว่าสี่เดือนไม่พอให้เป็นแปดเดือนไปเลยในที่ต้องห้ามเป็นแปดเดือนไปแล้วเขาเห็นไงว่าเออมั น, ม, นมันดีแต่อันนี้มอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอุตริกรรมเนี่ยแต่อันนี้แค่บอกว่าเออเขาเห็นผลของมันน่ะแล้วถึงขนาดที่อาหรับที่เขาเข่งคัดในเรื่องเนี่ย ต้องห้ามของสีเดือนเนี่ยและการกำหนดสถานีต้องห้ า, อ ย, าอย่างมัสยิดฮารอมเนี่ยเขาบอกว่าฆาตกรที่ฆ่าพ่อเขาเนี่ยถ้าเจอกันในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยไม่แตะเลยเห็นที่คนที่แคแค้นเนี่ยไม่ได้เลยให้เกียรติเวลาและถ้าเจอคนที่ฆ่าพ่อเขาเนี่ยในมัสยิดฮารอมเนี่ยก็ไม่กล้าแตเดือนนี้อยากจะ อยากจะต่อยชกนิดนึงยอมเสียค่าปรับเขาก็ยังไม่ยอมเลยการให้เกียรติทั้งนั้นที่อาหรับอย่างที่เรารู้กันนะว่าเรื่องความเข่งคัดอะไรเนี่ยแต่มีบางอย่างนี่เข่งคัดมากเรื่องให้เกียรติเรื่องเดือนที่ต้องห้ามนี่เข่งคัดมากทั้งนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่ามีสีเดือนที่ต้องห้ามให้อายะนี่อัลลอฮ์บอกว่าก็ตีลุลมุชริกีนกาฟดะ ก็จงต่อสู้บรรดามุชริกบรรดามุชริกทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พวกเขากําลังต่อสู้พวกเจ้าทั้งหมดก็เพิ่งบอกว่ามีสีเดือนที่ต้องห้ามาแล้วกันที่บอกว่าให้ต่อสู้ใช่อัลลอฮฺไ ม, ม่ได้บอกว่าการต่อสู้เนีย่ยนี่คือการทำสงคราม พระสมัยอาหรับนี่สี่เดือนที่ต้องห้ามนี่เขาไม่ทําสงครามก็ถูกต้องแล้วตามหลักการศาสนาห้ามมตเริ่มทําสงครามในสีเดือนที่ต้องห้ามแต่ถ้ามีคนมาก่อสงครามกับเราเราต่อสู้ได้ไหมเพื่อปกป้องได้เพราะอะไรซูร์เตอร์เนีบอกแล้วถูกประธาน ลงมาในช่วงและวก็หลังสงคารามตะบุกพีดีเกา้าซึ่งก่อนหนา้านี้สงครามหานายนที่เราเคยอธิบายก่อนหนา้านี้เกิดในเดือนชวาลหลังพิชิตมักกะพิชิตมักกะเดือนรอมฎอนพอพิชิตมักกะเสร็จแล้วเนี่ยเดือนชวาลเนี่ยพอพิชิตมักกะแล้วนี่เคยบอกเล่าว่า พิชิตมักกะแลนดนี่ยตกรุ่นน่ะคาบสมุทรอาหรับนี่มีอยู่สองสองเมืองใหญ่ที่แบบว่าเป็นเป็นหัวเมืองใหญ่อะมักกะแล้วก็ตออิฟพอชาวตออิฟเนี่ยเขารู้ว่าท่านนาบีเนี่ยพิชิตมักกะแล้วเนี่ยเขาก็เลยเตรียมตัวที่จะประกะาศสงครามกับท่านนาบีท่านนาบีก็พอรู้แล้วท่านนาบีก็รีบจับทัพไปหาเขาเลยเดือนชวาซึ่งไม่ใช่เป็นเดือนที่ต้องห้าม แต่พอสู้ไปสู้มาเนี่ยมันลามไปถึงเดือน ذو ا ل าดะ ة ชาวาลุลก ل ق ع د ทัดไปเลย ذ ุลกาด د ะเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามมันก็เลยเกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอา้านว่าในเดือนที่ต้องห้ามนี่ห้ามทำสงครามใช่ไม่เริ่มทำสงครามแต่ถ้าหากว่าไปเริ่มทำสงครามในเดือนที่ไม่ใช่เดือนที่ต้องห้ามแล้วก็มีการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง อันนี้นอนีา่าอให้ต่อสู้แต่มีเวลามาบางท่านบอกว่าวะากาดทิลูอาจจะเรื่องว่ากัดิลูจงต่อสู้บรรดามุชริกีนทั้งหมดเช่นเดียวที่พวกเขากำลังต่อสู้พวกนั้นทั้งหมดอันนี้มันมันเป็นท่อนที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องเดือนที่ต้องห้าอะไรเลยฉะนั้นไม่ต้องมาผูกพันจะได้มาตั้งคำถามและกระตอบคำถามเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันคือประโยคใหม่ คืออเล็กกำลังบอกว่าพวกเจ้าจงต่อสู้พวกมุสริกีนทั้งหมดเลยเชกเช่นดีเขาถือว่าพวกเจ้าในมุสลิมเป็นศัตรูงเขาแล้วก็จะมาเขาก็จะมาต่อสู้พวกเจ้าทั้งหมดมันเป็นประโยคใหม่และยา น, นีเนี่ยอิมามอิบนุเยมียะได้ถือว่าเป็นหลักฐานชัดว่า อิสลามไม่มีการเริ่มประกาศสงครามกับคนอื่นทำไมเานี้เราบอกว่าต่อสู้พวกมุชริกทั้งหมดเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังต่อสู้พวกเจ้าทั้งหมดเราต่อสู้เพราะมีคนเขาจะมาต่อสู้กับเราแต่ถ้าไม่มีใครมาต่อสู้กับเราก็ไม่ต่อสูก้กับใครอนี่เป็นานาที่มีน้ำหนัก มากกว่านี้นะั่นหลักฐานมีตัวบทหลักฐานทั้งในกุตัลหานิสมากมายที่ยืนยันในเรื่องนี้ว่าการก่อสงครามในอิสลามเนี่ยเป็นการทําสงครามปกป้องอย่างเดียวเลยแ ม, ม้แต่เมียก็ไล่ศึกษาในประวัติศสาสตร์ของท่านนาบีสุลต่านทุกสงครามที่ท่านนาบีทำเนี่ยเป็นสงครามปกป้องไม่ได้เป็นการเริ่มไม่ได้ไปหาเรื่อง ที่ไปทำสงครามนี่เนื่องจากว่าเขาเตรียมแล้วที่จะทำเขาประกาศสงครามแล้วที่ไปหาเขาเนี่ยเพราะพอเขาเนี่ยเริ่มประกาศแล้วแต่ไม่ใช่เราที่เป็นคนที่ประกาศสงครามกับเขาว่าแล้วมูอันน์อัลลอฮ์ฮะมัลมุตตะกีนและเพิ่งรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นร่วมอยู่กับบรรดาผู้เทียมกรีหมามายีญ่ปี่นหมายถงอยู่กับเขา พระองค์สร้างความอบอุ่นความมั่นคงความความมั่งคั่งกับคนที่เยี่ยมเกรียงต่อเราสุฮาณวาุฒาจึงเป็นคำตอบสำหรับคนที่ทำในสิ่งที่ให้ตัวเองรู้สึกถึงความเยียมเกรียงความตั ก, กวาต่อเราแล้วจะได้อะไรอู้ได้อะไ ว่าเล่ามู้เพิงรูเ้เธอด้วอัลลอฮฺอยู่กับรอยู่กับผู้ที่มีความยม่อมเกรงคนเรานี่ถือกระเป๋าตังค์ไม่มีไม่มีตังค์ม้แต่บาทเดียวหรือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้ล่ะผมจะยกตัวอย่างกระเป๋าตังค์ที่มีบัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยล้านหลังละ มือถือนี่มีแอปรู้แอปกี่กี่ธนาคารและแต่และแต่และบัญชีนี่โอ้โแล้วมือถือที่เราไปไหนแต่ไหนยันก็มีมือถือเราไปไหนแต่ไหนเนี่ยจะไปเช่าโรงแรมจะไปเที่ยวจะซื้อตั๋วเครื่องบินจะซื้อรถจะอะไรเนี่ยแล้วมีแอปของเราทําได้ทุกอย่างทุกอย่างเลย จะซื้อยิงยิงเดี๋ยวนี้ตลาดตลาดนัดเนะี่ยยังมีแล้วนะ่ะสแกนจ่ายสแกนเนี่ยตลาดนัดนะ่ะความมั่นคงเราก็จะรู้สึกโอ้ยไม่ต้องเดือดร้อนะเรามีแอปนี่ทุกอย่างมีความอุ่นใจที่เรามีแค่มีแอปเนี่ยเรารู้สึกอุ่นใจขนาดนั้น่ะและผู้เยี่ยมเกรงอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่รู้สึกถึงความมั่งคั่ง ความมั่งคัง่งถ้าเขาอยู่ในแนวทางของผู้ยิมเรียกร้องส่วนทำให้รู้สึกถึงความมั่งคั่งนี่ก็